เจริญตอนพวกเราเราบางคนก็ภาวนาฟังหลวงพ่อมาหลายปีสองสามปีสี่ปีอะไรก็หลายคนบางคนก็เพิ่งมาใหม่ๆแต่ว่าบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อก็มีนะเวลาออกไปต่างจังหวัดหเห็นเขามาหาเภทฟังซีดีแต่ว่าพอฟังซีดีอดทนฟังแรกๆฟังยาก เขาฟังแล้วฟังอีกเสร็จแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ได้ไปแยกธาตุแยกขันธ์ได้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จเจริญปัญญาได้ถ้าทำไปอย่างนี้สม่าเสมอนะโดมีศีลห้ายืนพื้นไว้ก่อนมกผลนิพพานเนี่ยก็เป็นอันหวังได้อยู่เพราะมกผลนิพพานจริงๆไม่ใช่ของที่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดารรมดาอย่างพวกเราจะทาได้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 ก็ไม่ได้เก่งแบบคนระดับพวกเราพอๆกันสมองของมนุษย์มันพัฒนาไปเต็มที่แล้วแต่ทําไมคนสมัยพุทธกาลเข้าฟังธรรมแล้วก็บรรลุกเร็วมันเป็นบางคนนะบางคนมันก็ไม่บรรลุบางคนตกนรกอเวจีก็มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้กระทั่งในสมัยพุทธกาลก็บางคนเท่านนคนที่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 พระาาคดเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นธรรมที่เกิดจากเหตุคือรูปนามรูปนามคือตัวทุกข์งั้นประโยคแรกเนี่ยพระอาจชีสอนเรื่องทุกข์ว่าทุกข์ทั้งหลายนี่มันเกิดจากเหตุนะแล้วพระตถามโคดเจ้าสอนถึงเหตุของมันและสอนความดับไปของมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่เพราะมีเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับ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 คนกันไปมั่วซั่วไปหมดเลยพูดถึงธรรมะนะเลอะเทอะไปหมดเลยเงั้นธรรมะเนี่ยถ้าเราเรียนจะให้ใจเปิดรับได้นะต้องมีความสดใหม่สดใหม่อย่างเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยเป็นธรรมะที่สดใหม่นะความจริงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันใจของเรามันพอเหมาะพอควรที่จะฟังนั้น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 เคยได้ยินแต่ว่าให้พุโทโธพิจรารณากายนะั้นหรือให้ดูท้องของยุยกเท้าย่างเท้าอะไรนะได้ยินจนมันใจมันจืดไปละพอได้ยินธรรมะของหลวงปู่ดนะูลงจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธฟังแล้วมันสะเทือนเข้าถึงใจนะมันปิ๊งขึ้นมานะว่าถ้าใจไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกขนะ์ถ้าใจไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์นะ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 ออกนอกก็ถูกของท่านนะมันไปสู่อายตนะไข่นอกนะออกไปหมดมันไม่ย้อนมาดูตัวเองขณะที่ตามองเห็นรูปนะร่างกายเราอยู่ในอิริยาบถไหนเรารู้ได้ไหมเรารู้ได้แต่เราไม่สนใจจิตใจของเราสุขจิตใจของเราทุกเรารู้ได้ไหมรู้ก็รู้ได้แต่ไม่สนใจจิตใจจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลรู้ได้ไหมก็รู้ได้นะแต่ไม่สนใจ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 กล้าเปิดเผยออกมาแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่านยกย่อง น, นี่เป็นความเจริญในอริยะวิไนน์นี่นอย่างเวลายุงกัดใช่ไหมเราสนใจอะไรสนใจที่คันไหมขันไม่ค่อยสนใจหรอกแต่สนใจที่ยุงใช่ไหมสนใจไหมว่าจิตโกรธยุงจิตเกลียดยุงไม่สนใจสนใจแต่ยุงเนี่ยเราสนใจสิ่งภายนอกยุงน่าสนใจกว่าจิตของเราเองแปลกไหม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 แล้วดูจิตดูใจไม่ได้ดูว่าเป็นก้อนธาตุดูจิตดูใจแล้วก็ต้องดูเป็นมุมอย่างอื่นเช่นมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเงี้ยถ้าดูอย่างนี้การที่เราไปเห็นกายเห็นใจนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเนื่องเนืองเนี่ยใจมันจะเบื่อหน่ายมันจะเห็นความไร้สาระหาคุณค่าหาประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้ก็ของไม่เที่ยงอ่ะมันจะมีคุณค่าอะไรอย่างมีผู้หญิงสักคนเราพวกเราหลายคนเป็นผู้หญิง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 ในความจริงมีแต่อตตาบังคับไม่ไดนะ้มันก็จะเอื่มระอาพอใจมันเอืมระอาในรูปในนามในกายในใจนะใจจะคลายความยึดถือออกจะคลายออกเมื่อวันศืนมีผู้หญิงคนหนึ่งไปส่งกันบ้านที่วัดหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมภาวนานะส่งกันบ้านฟังแล้วน่าสะพึงกลัวมากเลยกระทั่งพระยังฟังแล้วหวั่นไหวนะเลาบอกว่า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 ใจมันกลัวขึ้นมาตัวเราไม่มีบอกตอนที่เห็นตรงนี้ครั้งแรกนะใจสว่างโปรงขึ้นมาแล้วนะแต่เสร็จแล้วมันพลิกกลับไปกลัวโอ้ตัวเราหายไปแล้วตัวเราไม่มีพอ ก, กลัวท่านจิตถอนเลยน่าเสียดายถ้ากระบวนการนี้มันดําเนินต่อไปแนละ้วมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แต่กระบวนการนี้ไม่สิ้นสุดลงลเพราะว่ากําลังของเขายัางไม่พอ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 ง like well> ั้นก่อนที่พระเจ้าจะบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพาะคลายกําหนัดจึงหลุดพ้นตอนหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วก่อจะมนเข้ากระบวนการอย่างนี้ได้พอเริ่มเห็นความจริงเท่านั้นนะจิตมันรู้สึกน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวรู้สึกน่าเบื่อหน่ายรู้สึกใจหายใจคว่ำเมื่อตัวตนมันหายไปเป็นทุกคนนะในขั้นของการเจริญปัญญาถ้าปัญญาเบื้องต้นๆเนี่ยจะเป็น ต่อมาได้ภาวนาเพิ่มไปอีกนะก็จะค่อยคลายตัวนี้ออกใจะจะค่อยเป็นกลางขึ้นได้ภาวนาไปเรื่อยก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางทีแรกก็กลางด้วยสติก่อนกลางด้วยสตินะเช่นพอมันเกิดความสตอกสตานขึ้นมาว่าตัวเราหายไปสติระลึกรู้ทันว่าจิตมันสตอกสตานความสตอกสตานจะดับอัตโนมัติใจก็เป็นกลางทีงนี้กลางชั่วคราวนะกลางด้วยสติ แค่นี้ยังไม่เปิดอ ร, อริยมรรคอริยผลหรอกถ้าต้องภาวนาไปเรื่อยนะเจนกระทั้งวันหนึง่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ขก็เป็นของชั่วคราวความเฉยเฉยก็เป็นของชั่วคราวกุศลก็เป็นของชั่วคราวโรคกรดหลงก็เป็นของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่ชั่วคราวนะร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวนะ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 พวกเราได้สร้างขึ้นมาเองงั้นอย่าบ่นว่าทําไมของเราบรรู้ยากจังคนอื่นทําไมมันรู้ง่ายก็จิตเราบรรดือ้อจิต ด, ดื้อเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ให้มาเราสะสมของเรามาเองงั้นแต่ละคนมันดื้อไม่เท่ากันหรอกคนที่ดื้อน้อยนะเขาเห็นความจริงนิดหน่อยเขาก็เอื่อมระอาเขาก็ปล่อยวางคนที่ดื้อมากก็ต้องดูกันนานหน่อยขว่าใจจะยอมใจมันยอมมันเป็นยังไงมันเห็นว่าความสุข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 ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรกรนะทั่งจิตใจนี้ก็เป็นของที่เกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวรนะให้ภาวนาไปอย่างนี้นะเงินวันหนึ่งมันแจ้งเลยแล้วตัวตนถาวรไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นการที่เราเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายมีเหตุที่ก็เกิดหมดเหตุที่ก็ดับดับหมดเลยไม่มีเหลือเลยตรงนี้มันจะเป็นปุน่มธรรมของพระโสดาบัน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 ครั้งที่สี่จะเห็นแจ้งครั้งที่1 2 3สองสาเนี่ยพอเห็นแว บ, บเดียวเนี่ยอาสวะามันขาดออกไ ม, ม่ไม่มีอะไรปกคลุมหอ่อหุ่มจิตจิตรวมเข้ากับธรรมชาติเดิมความว่างเพิมเิมเป็นอันเดียวกันขึ้นมานะสัมผัสความสุขที่ไม่มีขอบมีเขตเลยเป็นะความสุขที่มหาศาลแต่อยู่ได้แว บ, บเดียวนะอาสวะากิเลสก็เข้ามาปิดไหมหมดนะไม่เห็นอีกแล้วนะต้องตัด4หนนะถึงจะขาด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 แต่ถ้ายังไม่เห็นก็อย่าท้อใจเอาล้างความเห็นผิดให้ได้นะเอาโสดาให้ได้ก่อนถ้าโสดาบัตรนีไม่ยากเกินไปคารถะก็ทำได้ถ้าสักกะทาคาคารวะก็ทาได้เยอะแยะไปถ้านาคาเนี่ยคารเริ่มยากแนละ้วเพราะจะละกามชีวิตของคารวะหมกอยู่กับกามละยากบางคนก็อยากละกามนะตกลงไว้กับเมียว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันก็ไปมีเมียน้อย ออย่างนี้ละเป็นคลาคลาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอ่ะไม่โพนหรอกนะเหลวไหลนะหรือลาพยาบาทได้คนมาจอรดรถขวางหน้าบ้านโกรธหนึ่งนะพยาบาทพยาบาทไม่ดีพยาบาทก็เผาใจของตัวเองกรรมก็เผาใจของเราเองนะทั้งพอใจทั้งไม่พอใจก็เป็นตัวแผดเผาใจของเราดนะนั้นเราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปเรื่อยนะรู้ทันใจ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 จิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความทุกจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกนี่พวกที่ดูจิตมาเวลาบรรลุอนคาคขาก้เห็นมาอย่างนี้คนละแบบกันแต่ผลเป็นอันเดียวกันคือไม่ยึดกายนะแล้ภาวนาาถัดจากนั้นจะเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี้แหละนะตรงเนี้พูดยากฟังยากนะดีว่าหลวงพ่อเคยฟังหลวงปู่ดุลเรามาเล่าต่อได้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าต้องปล่อยวางจิตอีกทีนะั จะไม่มีทางปล่อยวางจิตเลยจะรักจะห่วงแหนจิตที่สุดแล้วได้ยินอย่างหลวงพ่อพูดเรื่องการปล่อยวางจิตเนี่ยเาจะว่าหลวงพ่อภาวนาไม่เป็นเลยความจริงเป็นคําสอนขั้นสุดยอดเลยนะเมื่อคราวก่อนไม่กี่เดือนนี้ไปเทศที่เชียงใหม่ถ้าอาจารย์เปลี่ยน่าอาจารย์เปลี่ยนแลลูกศิษย์ท่านบอกว่าท่านอยากเจอยังไม่เคยเจอหลวงพ่อความจริงเคยเจอนะแต่เจอตอนหลวงพ่อเป็นคาราวาสท่านจําไม่ได้ก็เคยเจอท่านอยู่ เราขึ้นไปเทศเสร็จเราขึ้นไปกลับท่านท่านก็พูดเรื่องว่าดูจิตดูจิตบอกคนมาบอกท่านว่าโอ้ยอาจารย์ประมวดสอนผิดสอนดูจิตท่านบอกถูกนะจิตน่ายอดกรรมฐานนะท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกตอนหลังๆนะใครมาถามท่านนะถ้าอยู่ทางเนี้ยท่านบอกไปให้ไปเรียนที่ศรีราชาทนอกอย่งี้บอกจิตน่ายอดกรรมฐานแล้วท่านบอกท่านเคยเจอหลวงปู่ดุลท่านเคยเจอหลวงปู่ดุล หลวงปู่สอนเรื่องจิตให้ท่านแล้วแท่ก็พูดให้ฟังนะว่าหลวงปู่สอนอย่างนี้ถามว่ายังมีอะไรอีกไหมบอกมีอีกอันที่หลวงปู่สอนพบผู้รู้ให้ทำลายผูร้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวนี้คนที่เคยได้ยินได้ฟังมีน้อยนะแต่ก่อนนี้แทบไม่มีเลยเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าส่วนใหญ่ท่านจะให้ทำเอาเองถ้าบุญมีวาสนาพออะไรุ็หลุด ป, ปุบออกไปไปแจ้งตรงนี้ก็ปล่อยตัวนี้ไป ส่วนมากไม่ค่อยบอกให้ทำเอาเองนี่หลวงปู่ดูลท่านทันสมัยท่านบอกหลวงพ่อไว้ล่วงหน้านะอีกกี่พบกี่ชาติจะทําได้ก็ช่างมันเถอะหรือว่าท่านบอกเอาไว้ก่อนหลวงพ่อก็เลยมาบอกต่อคําสอนอันนี้เป็นคําสอนที่ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปงั้นเรามาฝึกนะฝึกไปจนวันนึงมันแจ้งจิตนี้แหละไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้เป็นก่อนนะกายไม่ใช่ของดีของวิเศษจะเห็นก่อน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 เห็นของแค่นี้ไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยไม่มองมันเด่นมันสว่างสวัยมีเด็ความสุขอยู่งั้นนะแล้วจิตมันต้องพระธรรมจะช่วยเหลือพระธรรมก็จะแสดงความทุกข์ให้ดูจิตมันไหวตัวแว บ, บเดียวเท่านั้นจากตัวบรมสุขนะกลายเป็นตัวทุกข์โคตรโคตรภาษาสสมัยใหม่ทุกข์โคตรโคตรเนี่ยไปจํามาจากเด็กนะไปเข้าปั๊มน้ํามันได้ยินเด็กมันพูดกันภาษาอย่างนี้ก็เผื่อจะสดใหม่บ้าง <c oughs> พอเห็นมันจิตมันเป็นทุกข์นะีมันถึงยอมวางนะเพราะคนที่ทรงสมาธินะจิตมีแต่ความสุขนะเพราะงั้นที่พวกที่สมาธิแรงนะพวกนี้จะเห็นทุกข์แล้ววางแล้วพวกศรัทธาแรงนะเนห็นอนะนิจจังก็วางเนะลยถ้าพวกปัญญาแรงกล้านะี่ยดูไปนะีเห็นมันบังคับไม่ได้โยนทิงเลยนะพวกปัญญาใกล้า้เห็นอนัตตาล้วก็ปล่อยวางนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่สุดท้ายก็คือปล่อยจิต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 เนครูบาจารย์ท่านเลยไม่ค่อยสอนท่านให้ทําเอาทําเอาต่างตายค่อยไปเห็นเองแต่เราเรียนแล้วเรารู้ว่าจุดไหนที่ต้องระวังร ะ, ระวังหลวงพ่อเทศธรรมะเผื่อการปฏิบัติในวันข้างหน้าเหมือนที่หลวงปู่สอนหลวงพ่อสอนเผื่อวั น, นข้างหน้าเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่ตลอดหลวงพ่อก็สอนเผื่อพวกเราวันข้างหน้ า, อาบอกไว้ก่อนนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือหนึ่งอย่าคิดนํา พอได้ยินธรรมะที่บอกไว้ก่อนอย่าคิดนํานะภาวนาไปตามลําดับอย่าใจร้อนนะแล้วก็อย่ารีบระเสะียอย่ารีบละโน่นอย่ารีบระนี่ให้จิตมันละของมันเองนะอ้าวเท่านี้ก่อนนะกลับในมัรสการหลวงพ่อค่ะ เ, เมื่อเร็วๆนี้ค่ะพอดีวันนั้นนั่งท่าเล็บอยู่อะค่ะแล้วก็มือก็วางในลักษณะอย่างเนี้ค่ะ สักพักใหญ่ๆค่ะอยู่ๆมันมันเห็นมือเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะอนั่นแหละมันเห็นมือเป็นรูปถ้าจะใส่ชื่อนะแต่ตอนนั้นมันไม่มีชื่อมันเห็นเป็นซัมติงอยากจะไม่ไม่ไม่ทราบว่าอุปทานไปเองหรือว่าเราเห็นสิมันเห็นจริงๆค่ะทีนี้อยากขอการบ้านในการเออย่าอยากเห็นอีกถ้าอยากเห็นนะจะไม่เห็นอีกแล้ว ว่าความอยากไม่ได้ทําให้เกิดสติปัญญาอะไรแค่รู้สึกตัวบ่อยๆนะภาวานาไปปกตินี่แหละต่อไปเห็นทั้งวันเลยภาวนาถึงจุดหนึ่งนะกระทั่งยังไม่ได้โสดานะเห็นร่างกายนี้กลวงว่างเปล่าเลยนะเป็นทั้งวันเลยแยกออกไปตาหาบสังเกตแหมกใจกับจิตเป็นคนละอันกันเคยรู้จักบา้างยังมันยังไม่เห็นขนาดนั้นอะคะ่ะตรงที่มันแยกเป็นตัวอะไรอย่างหนึ่งเนี่ย ต, ตอนนั้นแหละกายมันก็อันหนึ่งจิตมันก็อันหนึ่งนะ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 คิ้วจะขมวดกันตลอดเวลาเลยค่ะทีนี้ก็เลยเอาใจเนี่ยจิตเนี่ยไปดูไปรู้สภาวะตรงนั้ น, น่ะแต่บางทีมันแรงจนเราสู้ไม่ไหวเราก็ลืมตาก่อนสิอย่าเพิ่งหลับตาค่ะลืมตาแล้วรู้สึกตัวไปคนที่ไม่ชำนาญ น, นะอย่างเวลาเราดูกายเราดูใจเนี่ยเราเอาตาไปดูความจริงรู้สึกกายเนี่รู้ด้วยกายรู้ด้วยความรู้สึกนะรู้สึกของกาย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 คลายสิเพราะเราไปคิดเราไม่ได้ไปเพ่งกายนะเพราะเหตุของมันดับเหตุที่มันตึงขึ้นมาเพราะเราไปเพ่งกายนี่ถ้าเราไปคิดเรื่องมรณะนสติ i, หรืออย่าว่าแต่คิดมรณะนสติ i, คิดเรื่องอื่นมันก็หายเพง่ง<ะ>คิดเรื่องว่าวันนี้จะไปดูหนังอะไรดีก็หายเพ่งแล้วแล้วการพิจารณามรณะสติเนี่ยจะช่วยใหออ้อย่างกับหนูเองเนี่ยจะลดในเรื่องของอัตตาโลภ อ, อ, อะไรได้ไหมคะมันจะช่วยข่มได้ แต่ไม่ล้างนันจะขมได้ชั่วคราว<ะ>ดีถ้าเซลล์จัดนะพี่นางความตายไปดีล้วกลับขอบพระคุณฉลาดนะรู้ว่าเซลล์จัดดีเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเรามีกิเลสอะไรจะได้สู้ถูกตัวครับนมัสการครับเป็นลูกศิษย์ทางซีดีมาประมาณ2ปีเสร็ จ, รจแล้วเพิ่งมีโอกาสมากราบนามัสการตอนนี้ครับเลยเดียวการส่งกันบ้านครับ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 เห็นไหมความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือแยกถ้าแยกได้แล้วไม่ต้องกลัวนะดูไปด้วยร่างกายก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรากุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราดูไปด้วยถึงวันหนึ่งมันพอมันก็ตัดเองภพอนาทำถูกแล้วแหละ เ<ค>นี่ยคนฟังซ <คำ S 2> ีดีก็ดีนะเขาถึงชื่อสีดีไม่ใช่ชื่อสีเร็ว <laughs> นมน้าระการกับท่านอาจารย์ช่วงนี้โยมอยู่ๆโยมก็เห็นว่าร่างกายของโยมเนี่ยมันมันมันเป็นชิ้นๆชิ้นๆซึ่งเหมือนโดนตัดขาดนะคะแล้วก็ออสองสาวันนี้ไอมาก อ, อไอจนเหมือนไม่ได้นอน ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ร่างกายนี้มันมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะมันแยกออกจากกันโดยที่ว่าโยมเองไม่เอาไม่เอาความไม่สบายหรือไม่เอาร่างกายแต่รู้แต่ว่าจิตกับกายมันหันหลังให้กันเด้อนะนี่ถ้ายังจะรักษาร่างกายไว้ก็พามันไปหาหมอให้หมอรักษาเรารักษาจิตของเราไว้อย่างนี้แหละค่ะถึงตายก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะอะไรตายร่างกายมันตายนะค่ะเห็นอยู่ค่ะไม่ก็แค่นั้นเอง เห็นร่างกายมันตายอยู่ตลอดเวลา้อาจารย์แล้วเรารู้สึกว่ามันสังเวชมากๆเนาะมันน้าตามันคอยจะแบบแตไหลอยู่ตลอดเวลาโอ้มันมีแค่นี้เองเหรอคะเออมีแค่นี้แหละนะอย่าไปรักมันดูมันไปด้วยดูมันไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะดูมไปใจเข้าไปยึดกับมันก็รู้ใจถอยออกมาก็รู้นะพอใจวางกายแล้วบางทีกายหายไปนะนานบางทีร่างกายหายไปเฉยๆหายถ้าหายนานัหละร่างกายหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะอื ก็ดูจิตต่อนะถ้าร่างกายหายแล้วก็มาดูจิตต่อดีสมาธิดี ค, คนสมาธิ ด, ดีบางทีร่างกายหายไปร่างกายหายแล้วรู้สึกว่าวันไหนที่เราอยากต้องการสบายนะท่านอาจารย์ <asha? S 1> วันนี้จะวันนี้จะอยากอยู่สบายก็รู้สึกจิตก็สบายสบายว่างๆท่านอาจารย์แล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยถามว่ามีประโยชน์อะไรกับเป็น <ยง S 2> ที่พักผ่อนเป็นที่พักผ่อนนะเป็นที่พักผ่อนเออถ้าเราตายโดยจิตทรงไว้ยอย่างนั้นเราก็ไปเป็นพระพปมอม แล้วถ้ายังมีร่างกายอยู่นะก็ะเป็นพรมมีร่างกายเอาไว้พระสีอริยเมตไตรสัตว์เราค่อยมาฟังเทศไม่ดีใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ดีก็ดีเหมือนกันแต่ดีในอนาคตแล้วณนะตอนนี้โยมควรจะทําอะไรท่านอาาถูกแล้วล่ะทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆไปประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกันครู้สึกตัวอยู่ตลอดใช่ไหมคะรู้สึกตัวสบายๆไม่ประคองจิตเอาไว้ขณะนี้ประคองจิตอยู่ไหมนิดๆค่ะ นิดๆก็คือเกิดนิดๆนิดๆใช่ไหมคะแต่งงั้ยสบายๆเลยนะคะสบายๆแล้วเพลิดในสบายเกิดอีกนานเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โยมสบายไหมคะสบายแต่ปาะคองนีิดๆก็แน่นหน่อยๆนะแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าโยมจะจะจะเร่งดูแอปเร่งไม่ได้เร่งไม่ได้ใช่ไหมเร่งไม่ได้นะเราไม่โลภหรอกเราดูมไปด้วยดูทํางานไปด้วยดูจนกว่ามันจะไม่เอาเาพอ พอเราเขาวางเราอย่าวางแทนเ้านะคะถ้าวางแทนเขามจะเหมือนที่หลวงพ่อบอกอยังขึ้นไม่ถึงฝั่งเลยทิ้งเรือซะแล้วะไปทําต่อไปทําได้ดีอยู่แต่อย่าไปประกองจิตก็แล้วกันต่อไปนวัตการค่ะหลวงพอ่อคือหนูอัสกอิ์สีอาศัยอยู่ที่เยอรม น, นีอะค่ะมาสี่ปีแล้วซึ่งช่วงสองสามปีแรกในหนูก็ภาวนาทุกวันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยภาวนาทําให้จิตใจมีความสุข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 แต่พอเริ่ ม, มทำทานมันธร <ขา S 2> ทม<ำ>ไม่ค่อยได้ขาดสมาธินะ <Okay. S 2> ใจมันเลยแห้งเวลาเราจเจริญสติสติปัญญานะเหมือนไฟนะมันแผดเผากิเลสนี่กิเลสมันอยู่กับจิตนะจิตก็เลยแห้งไปด้วยงั้นเราต้องมีน้ำมาเติมนะ<อ>สมาธิมาใส่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 อยากจะกรี๊ดหรืออยากจะแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดูปไปหนูก็เห็นว่ามันก็ยังอยู่เรื่อยๆทั้งที่หนูรู้สึกว่าหนูกําลังโกรธมากอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นหายไปค่ะหลวงพ่อจริงไหมเราไม่ได้ฝึกให้หายไงนะฝึกให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ ห, หัดรู้หัดดูได้แต่ว่าเราถือศีลไว้ก่อนยังไม่ด่าใครไม่ตบใครอย่างงี้ค่ะค่ะในใจกริ๊ดกเห็นอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ควรจะกรี๊ดกอย่างนั้นอีกแล้วแค่นั้นเองค่ะไม่มีความน่าจะเป็น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 เพราะงั้นบทแผ่เมตตาไปสังเกตให้เนี่ยเริ่มจากแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเพราะงั้นเลยโมโหตัวเองค่ะกาวณมัตการครับอยู่ไหนเนาะอยู่ทางนี้ครับ เ, เมื่อต้นเดือนกันยาเนี่ยผมเห็นเริ่มเริ่มเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนนะครับแล้วก็บังครั้งเนี่ยเดินเนี่ยผมจะเห็นเกิดดับเกิดดับตลอดอาบางทีเนี่ย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 ปัจจุบันเนี่ยหลายวันมาแล้วเนี่ยผมจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันทุกเยอะเลยครับไม่ทราบว่าผมเห็นถูกหรือเห็นผิดเห็นถูกนะเห็นถูกแต่ว่าโทสะมันแทรกครับใจไม่ได้เป็นกลางกับมันครับอโทสะมันแทรกก็รู้ทันเอานะเพราะเราเฝ้ารู้สภาวะไปเรื่อยนะจะเห็นอย่างนั้นแหละโลกนี้ไม่มีคนมีสัตว์อะไรหรอกเนาะอย่างนั่งอยู่นี่คนเยอะๆที่เมืองจีนเหมือนนั่งในที่เปล่า นั่งในทุ่งหญ้านะไม่มีคนมีสัตว์เลยแต่ว่ามันยังไม่พอครับใจเรายังไม่ได้กลางจริงนะใจเรามันเจือโทสะเข้าไปด้วยให้รู้ทันเอาก็คือภาวนาต่อไปภาวนาต่อไปนะจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันว่ามีโทสะนะปัญญากล้ามันเห็นอ น, นัตตาเปนะ็นเห็นทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเนี่ยเป็นปัญญากล้าพวกปัญญากล้าเนี่ยโดยธรรมชาติแนละ้วมักจะโทสะกล้าด้วย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 นึกได้ก็จะพยายามแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างกรณีทาโยคะค่ะถ้าหนูหลับตาค่ะบางทีเนี่ยจะมีดวงดวงสีเขียวๆอะค่ะก็เลยอยากจะขอเรียนถามถึงการพัฒนาต่อไปในการปฏิบัติอะคะ่ะถ้าเราเห็นแสงไฟนะเวลาหลับตาบางทีก็สีเขียวนะนทีก็สีแดงถ้าจะเอากระสินนะดูสีเขียวนะดูได้ใจสบาย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 เขาเขาจะท่องคาาชินะ บ, บัญชรแบบย่อเสร็จแล้วเขาก็จะนั่งสมาธิแล้วเขาก็ปรับตาแล้วเขาก็พูดว่าพุโทโธพุทโธพุทโธแล้วเขาก็บอกเขาชอบจะขอเรียนถามว่าอย่างเงี้ยหนูจะพัฒ น, นาเขาต่อไปได้หไหมคร<ข><อ>ับพุโทโธไปด้วยนะรีบฝึกซะก่อนจะเป็นวัยรุ่นพวกที่เด็กมีของเก่าเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นมันจะลืมนะขอบพระคุณค่ะนรมาสการครับหลวงพ่อครับคือปัญหาที่ผม ปฏิบัติมามันม น, นานมาแล้วครับแต่ว่าผมหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ครับคือผมจะทําสมาธิมาก่อนนะครับแล้ว ม, มีมีวันหนึ่งคือทําไปแล้วเกิดความสงบแล้วพอดีผมน้อมไปที่ลมหายใจครับหลวงพอ่อแล้วมันก็กลายเป็นแสงแล้วผมก็กลัวเอ้ยไปกลัวทําไ ม, ไมกลัวตา ย, ยครับเออนะองั้นก็ถอนสิจิตก็ถอแล้วก็พอจิตมันถอนออกมาแล้ว ผมไม่รู้ว่ามผมคิดไปเองหรือว่าเ ป, เป็นเรื่องจริงหรื อ, อยังไงครับมันจะมีมีผู้หญิงสองคนนะครับมาคล้ายๆมาแบบเล้าโลมผมอย่างเงี้ยครับแล้วคล้ายๆมันจะเอาวิญญาณผมไปไงครับหลวงพ่อมันเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วจะไปไหม <laughs> ไม่ไม่ไปครับเออตั้งสองคนนะ <laughs> แล้วแล้วอี ก, อ ก, อกต่อมาก็คือเวลาผม ทำสมาธินี่ผมจะใช้คําบริกรรมครับทีนี้บริท่องไปแล้วผมก็จ ะ, จะนึกตัวอักษรไปด้วยครับแล้วสักพักมันก็ตัวอักษรมันจะกลายเป็นแสงะครับหลวงพ่ อ, พ อ, อแล้วมันเหมือนเส้นด้ายยาวๆครับแล้วสักพักมันก็จะขาดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับแล้วต่อไปมันก็จะเหมือนลูกคลื่นนะครับหลวงพ่ อ, พ อ, อ ม, มันจะขาดเป็นลูกคลื่นลูกคลื่นถ้าเห็นสภาวะใดๆก็ตามนะนิมิตใดๆเกิดขึ้นแสงสีเสียงอะไรก็ตามเนี่ย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 นิมิตเนี่ยอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรนะให้ย้อนกลับเข้ามาที่ใจเราถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปรุงอะไรต่อไปด้วยด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นด้วยอำนาจของสมารถทีเราช่วงหลังๆมาเนี่ยผมจะคือผมจะอยู่กับการเต้นของหัวใจครับเพราะผมไม่เข้าใจว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยมันเป็นธาตุลมหรือว่า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 ถ้าจะรู้ร่างกายรู้หัวใจเต้นก็รู้ไปสบายๆอย่าให้ใจเคลื่อนๆแล้วอย่าไปจ้องแบบไม่ให้คลาด ส, สายตาเอาแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกการที่เราจ้องมากๆนะๆั่นแหละจึงได้เกิดแสงสีเสียงต่างๆนานาขึ้นะมาได้ครับเ้นอย่างมีครูบาจารย์องค์นะหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเคยบอกหลวงพ่อเลยว่าวิหารธรรมของท่านะคือรู้หัวใจเต้นท่านเห็นหัวใจของท่านเนี่ยเต้นตุ๊บตุุ๊ทั้งวันทั้งคืนเลย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 นะให้รู้ทันจิตนีนวิิคิดนะั่คือจิตมันฟุง้งซ่านกรู้ว่าจิตกหลังฟุ้งซ่านอยู่นะหัดรู้หัดดูนะเพวกนั้นเป็นกิเลสชั้นละเอียดนั่นแหละครั บ, รบขอบคุณครับ ช, ช่วงหลังมานี้ชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนไปเจ้าค่ะสติเกิดได้เองแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเจ้าค่ะงสติเกิดได้เองบ้างแต่ว่า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 หาบ้านให้มันอยูนะ่ถ้าเราเป็นคนรักสวยรักงามเราก็ดูกายไปเรากายเป็นบ้านเห็นร่างกายพยักหน้าไหมหไม่จะเห็นง่ายานะเพราะเราชอบดูกายของเราอยู่แล้วอย่างคนไหนนะวันวั น, วนหนึ่งส่องกระจกนานๆนะแสดงว่าชอบดูกายนะพยายามรู้สึกเลยร่างกายกระดูกกระดิกพยายามรู้สึกไปเด้่อยๆนามาจารย์ค่ะ ปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจำวันะแล้วก็ความความทุกข์สั้นลงแปบ๊แปบๆหนึ่งนะ <c oughs> เวลาที่เราดูกายนะเราดูสบายๆดูเหมือนคนอื่นดูดูเหมือนดูคนอื่นด้วยดูเหมือนคนอื่นมาดูนะเราอย่าให้จิตเราถลาลงไปในกาย <c oughs> เวลาเราดูสภาวะทั้งหลายเนี่ยจิตอยู่ต่างหากอย่าให้จิตถลาลงไปดู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 ภาวนามาติ่ตัวนี้เรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะคต่อไปเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเราเริ่มงงเอ๊ภาวนาเราสุขมากขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นมันกลายเป็นว่ายิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขแต่จะมีปัญหาเวลาที่ต้องไปพบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละจะมีความทุกข์มีความทุกข์พระจิตมันติดความสุขซะแล้วละ่ะถ้ามันไม่ติดความสุขนะมันไม่เสียดายความสุขเวลาไปเจอคนอื่นนะมันไม่อะไรอาวรณ์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 พอตัวนี้ดับไปเนี่ยเจอใครก็ได้ถ้าจําเป็นต้องเจอต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมคะไม่ได้ปรับปรุงหรอกแต่ว่ารู้ให้ประณีตขึ้นหน่อยไม่งั้นพอเราพอนาไปเรามีความสุขนะเราเลยติดความสุขเราพอใจในความสุขแล้วเรารู้ไม่ทันคราวนี้ยเราเกลียดโลกข้างนอกแนละ้วไม่อยากยุ่งกับใครเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ภาวะที่ปกติหรอกพระละหัน์ไม่รักไม่เกลียดนะ ของเราเนี่ยยิ่งภาวนาดียิ่งเกลียดโลกไม่ใช่นะเพราะเราให้คอยรู้ทันใจที่มันพอใจในความสุขพอใจมันพอใจในความสุขเนี่ยมันจะไม่อยากไปยุ่งกับใครเลยมีความจําเป็นต้องยุ่งก็ไม่อยากยุ่งะเพรานั้นให้รู้ทันราคะที่แทรกเข้ามาเวลามีความสุขถ้าตัวนี้ผ่านต่อไปเนี่ยจะเจอทุกข์เยอะแยะเลย <ขอ S 1> เห็นทุกข์ดีนะไม่เห็นทุกข <อ S 1> ์ไม่เห็นธรรม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 แล้วอย่างถ้าไม่เคยฟังทำเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรเนะี่ยโดยธรรมชาติจะเพ่งเพราะเคยชินที่จะเพ่งทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาชาติที่จะเจริญปัญญาได้ต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าไม่มีเนะี่ยมันก็มีแต่เรื่องการทําทานรักษาศีลทําสมาธิมีอยู่แค่นั้นนั้นคนส่วนใหญ่ที่มาภาวนานะี่มันก็จะติดอยู่เรื่องสมาธินั่นแหละหลับตาต้องหลับตาด้วยนะ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 แต่ไม่วางวางยากใครมีคนหยิบขึ้นมาะจิตเราจิตนัต่นแหละแ้วจิตไม่ใช่เราใช่ไหมคะจิตไม่ใช่เรามันหยิบของมันได้เองเออที่จิตไม่ใช่เราเนี่ยคะ่ะหลวงพ่ อ, อยางเวลาเราเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากจากตัวเราก่อนใช่ไหมมันมีคำ ว, ว่าตัวเราขึ้นมาก่อนใช่มันมีเราเราอยากปฏิบัติเราอยากอ่านหนังสือเราอยากฟังธรรมใช่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 ถ้าคิดเอาแล้วต้องคิดต่อสิจิตไม่ใช่เราแล้วอยากจะตกนรกอยากจะทุกข์เรื่องของเธอต้องปฏิบัติทําไมอย่าไปคิดเอานะพยายามรู้สึกเอารู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจจะเห็นแต่ทุกข์เห็นอย่างนี้ใจแกค่อยคลายออก